อันนี้สงแห่งการฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังชิงได้ที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิงนั้นชัดบรรเทาความสงสัยแค่ได้ทําความเห็นให้ถูกต้องจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสสัพพะทานังธรรมทานังชินาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่ให้ทอให้ทําเป็นฐานให้ทําเป็นทานชณะฐานทั้งปวง ธรรมเทสนามัยบุญสำเร็จด้วยการบริแสดงธรรมท่านามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเลือกบุญชินยวัตถุมีหลายอย่างท่านามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีนามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลพาปนานมัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอภิจายานามัยบุญสำเร็จด้วยการประพฤติถอมตนแก่ผู้ใหญ่ เวี ย, ยวัจจะไม่บุญสาเร็จด้วยการช่วยขอนขวายในกิจที่ชอบปฏิทานอาวุยบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญทําบุญแล้วอุทิศให้ท่านผู้อื่นว่าทั้งใจก็กชาติปฏิทานอาวุธธรรมะจวัจจะไมยบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไมยบุญสำเร็จสําเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุ ก, กรรมการทําความเห็นให้ตรงอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกัน เห็นว่าบามีบุญมีมรรคผลในพานมีเห็นว่าทำดีใดดีทำชั่วได้ชัว่วคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีไปรวมพลกันที่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปรวมพลกันที่คุณพระในพานานี่เนียกว่าความเห็นตรงนี่ก็เป็นบุญแต่ละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างยกใครเป็นผู้เทศเก่ง ก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นพระสมาสมพุทธเจ้าเท่านั้นเทศเก่งเพราะตาเทศตามเหตุผลที่มีอยู่ตามเป็นจริงของธรรมที่มีอยู่ไม่ได้หาออกมาเรียวกว่อาอริยสัจธรรมคือจริงอยู่ใครจะให้คะแนนว่าจริงหรือไม่จริงก็ตามก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระธรรมคาสอนของพุทธศาสนาสอนเบื้องต้นคือสอนมนุษย์สมบัติ เมื่อโมรถสมบัติถูกแล้วก็สอนสวรรค์สมบัติไปในตัวแล้วก็สอนพรมสมบัติไปในตัวแล้วก็สอนนยพานสมบัติเป็นที่สุดท้ายแม้ขาดวักขาดตอนเป็นจริงอยู่ไม่มีกางวันกลางคืน ใครจะรู้แล้วไม่รู้ไม่เป็นปัญหาใครจะเห็นแล้วไม่เห็นไม่เป็นปัญหาใครจะเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เรื่มใสและไม่เรื่มใสเป็นจริงอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนไม่ขี้เท็จตนเองและผู้อื่นและโลกเลยถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระบรมศาสตราก็ไม่สามารถรู้ทํำได้ทําใมีอยู่ก่อนจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นพระบรมศาสตราเจงเขารบรม จะมากี่ล้านล้านพระ อ, องค์ก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้รบร้างพรบกันเลยตรงกันเพียงเลยไม่เหมือนกฎอนม้ก้นหมูก้นพระก้อนพวกของชาวโลกเพราะกฎอไม้ก้นหมูก้อนพระก้อนพวกของชาวโลกตั้งขึ้นตามหมู่ลักหนะของยุกยุคยุคุคยถ้ายุกใดมีเสียงธรรมยุกนั้นก็ตั้งถูก ยุคใดไม่มีศีลทำยุคนั่นก็ตั้งไม่ถูกไม่ถูกตามความจริงปีนคําจริงไม่น้อยก็ต้องมากมนุษย์สมบัติคืออะไรคือความละอายต่อบาปมีสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติอยู่ในตัวด้วยละอายต่อบาปกลัวต่อบาปและก็พกครองโลกด้วยและปลดอาวุธให้มีศีลบริบูรณ์พระเว่นจากเวรสอนทางเว้นจากเวร ปานาธิปาตาเว้นจากเวนซักเวรมณีเว้นแล้วเวนอันนี้ชิค้าประทางสมาธิามิเป็นชิค้าบทอันอย่างหนึ่งอาทินนาหานาเวรมณีเว้นแล้วอันนี้เวนชิค้าประทางสมาธิามิเป็นชิค้าบทหนึ่งหนึ่งกาเมสเวชขาจาราเวรมณีเว้นแล้วเวนอันนี้เห็นโทษเต็มทีแล้วก็เลยเว่นไม่ลําบากกาย พอเห็นโทษอยากเตรียมภูมิก็เลยเว้นไม่ลำบากเว้นจากกามไม่ร่วงละเมิดในกามมารุมในประเวณีของชายอื่นยิงอื่นที่เขาเห้องแหนหรือของลูกของเมยียของผัวของท่านผู้ใดก็ดีหรือคนกำลั ง, งห้องแหนของพ่อแม่พี่น้องของเกาก็ดีในทางกรรมมาลุมในกามเมยซึไม่ชายตา มุสาวาาเทวรมะนีเว้นแล้วเวนอันนี้การพูดปดกับเท็จเป็นจริงกับจริงเป็นเท็จ เ, เว้นแล้วเว้นแล้วเวนอันนี้ชุราเมรยามาชัระประมาทัฐานาเวทะมะนีเวนอันขี้เมาเนี่ยอันเป็นบ้าเนี่ยใครไปดื่มก็เป็นเวนบ้าด้วยเลยเสียอทรัพก่อการท่านไม่วา่าเกิดโรกต้องที่เตียมแม่นู้จากอายทอนกำลังปัญญาอืเว้นแล้วเวรมะ น, นีอันนี้ ถ้าชาวโลกเว้นเวนทั้งหลายเหล่านี้แล้วชาวโลกก็นอนไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวณอยู่รอบข้างเวนทั้งหลายเหล่านี้มารวมอยู่ที่ดวงใจและความประพฤติเว้นแล้วศีลก็ตัดสินลงที่ใจในปัจจุบันมารวมกันพลนกันอยู่เป็นศีลตัวเดียวคือตัดสินเวนเว้นเวนทั้งหลายเหล่านี้แล้ว ชาวโลกก็นอนหลับดีไม่สะดุงแปรวาพระไม่มีเวนอยู่รอบข้างกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งว่า ก, กฎหมู่ก็ไม่ต้องก็กดตั้งมากกดพวกกฎหมายกฏหมู่กดพระกดพวกของชาวโลกก็ไม่ต้องตั้งมากเพราะไม่มีใครร่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้การชิดร่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้อนามาณอยู่ก็พระไม่มีสิ่งเหล่านี้ขีดกันไม่มีละอายตวารไม่มีค ว, ความกลัวตวาัรนั่นเอง ที่นี่เมื่อมีอันนี้แล้วก็สอนให้แก่กบันปันกันไม่ทานวัดแคนีศีลวัดมีแล้วก็ไม่ทานวัดจ่สัน้นแั่ส่วนกันอยู่กันกินตามติตกำลังเพราะไม่มีรักไม่ขโมยชาวโลกก็เป็นสุขแคน้ารักช่อโกงก็ไม่มี ทหารก็ไม่ต้องมีก็ได um ้ตำรวจไม่ต้องมีก็ได้โซตรวนไม่ต้องมีก็ได้คดีดำคดีแดงในรวงในศาลไม่มีก็ได้ขายขอก็ไม่ต้องเฝ้าก็ได้อันนั้นราคาเท่านั้นอันนี้ราคาเท่านี้เขียนนั้งคือไว้พอถึงเวลาเย็นก็มาเก็บเอาเท่านั้นเขาเกรงว่าจะปลีวหนีเขาก็อะไรทับไว้แล้วก็เขียนบอกว่าอันนี้ราคาเท่านั้นอันนี้ราคาเท่านี้ขาดตัวแล้ว ต่อไม่ได้เพราะขายพอดีเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็ต้องหยุดกันไม่ต้องฟอกตอนเย็นก็หาอะไรมาเก็บเอาเพราะไม่ไม่มีผู้อะไรรักของกันไม่มีผู้ใดโกหกพกกลมกันต้มตุนกันนะโลกก็สกสเสพขุมกเข้านั้นที่โลกอนรหมันอยู่ทุกวันนี้เพราะพระไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีสีละวัตไม่เคารพสีละวัตไม่เครารพธนวัต ไม่เคารพภาวนาวัดภาวนาเห็นสิ่งที่ดีและช่วยโดยอุบายที่ชอบพระก็อยู่เป็นสุขโยมก็อยู่เป็นสุขหน้าที่ของพระมียังไงพระก็ทำหน้าที่ของโยมมียังไงโยมก็ทำหน้าที่ของเจ้านายมียังไงท่านก็ทำตามเรื่องของท่านหน้าที่ของตารวจมียังไงก็ทำตามตรงไปตรงมาไม่มีใครคดโกงกันหน้าที่ของพระมีก็ปฏิบัติ ไม่ต้องไปเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอรอ์หน้าที่ของพระมีหน้าที่ยังไงก็ทำอย่างนั้นหน้าที่ของโยมก็ปฏิบัติตามทีนี้อภัยวงปปทุะเพทถ้าท่านผู้ใดร่วงเข้าก็เป็นมนุษย์วิบัติก็เป็นสวรรค์วิบัติก็เป็นรูมวิบัติก็เป็นแผลนิพพานวิบัติอยู่ในตัวนั่น น, นูที่ไหนนั่นนันใส่ไว้เอก อยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนทั้งผู้พูดทั้ทงผู้ฟังด้วยไม่ได้ไม่ไม้ น, นั่นออกจากนอกนอกไปถ้าสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเลยนี่ยังไม่พอก็เบื้องต้นก็ถึงไตรสมาคมยังกินจิรัตนังโรเกวิจติวิธังพุทธูรัตนังพุทธสมังนัติตัตมะสุทีพวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมือเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยปฏิเสธแล้ว นัตถิเมสันดังงานอย่างชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะของข้าพเจ้านี่การสงสัยดงเรในเรื่องนัตธิจะถืออื่นๆก็ไม่มีเพราะยอมตายไม่เชียอได้ต่อชีวาแล้วเพื่อทุกกยดจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเห็นได้จึงเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงสิทธ์ก็พระเห็นว่านัทถิอื่นๆคําสอนอื่นๆ ไม่เรียบร้อยเหมือนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสร้างวา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วก็มาสอนเอามนุษย์สอนเอามนุษย์ลงทุนสร้างวา ร, รมีมาหลายชาติหลายพบจึงได้มาเป็นพระสมาชิกพระเจ้ามีกีร่ร้อยพระองค์ก็มาสอนคําเดียวกันเลยไม่ลบล่างพราบกันพระถูกจริงเพียงแล้วไม่มีที่แก้ไขจึงทรงพระนามวาสัตวาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดานะมนุษย์ทางาย เมื่อสิ่งใดไม่สงสัยจะร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายอยากรวงรวง่วงละเมิดหลุ่ม่านเปลืองมันหนักใจไหมไม่ใช่ได้อยากลงลุยมันก็ไม่หนักใจเพราะยังไงเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชัดแล้วว่ามันมีแต่ไม่มื่ยอมอห น, น้าดีโยนีก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่เสียดายอยากจะเอาน้ำลายคืนมาอีก มันหนักใจไว้มันก็ไม่หนักใจเพราะเหตุว่ามันไม่มีประโยชน์เห็นดิ่งลงขนาดนั้นแล้วไม่ใช่ได้ลงละเมิดเลยสิ่งใดไม่สิ่งไหนไม่ใช่ได้ลงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่า ย, าายตรงกันข้ามโมดคูด่ไม่แรงวันกินง่ายแต่ไม่แรงพึ่งไม่ฝันเลย เกศวนดอกไม้ไม่แรงพึ่งหาได้ง่ายไม่แรงวันไม่ฝันเลยนนี่เป็นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนานเบื้องกลางของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้จิตเป็นสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอันเดียวบ้างอย่าไปนึกโ น, น่นนึกนี่มากนักเพราะมันเหนื่อยเห็นแช่นนี้จะให้ตั้งไห้ในพุโทโธบ้างตั้งไห้ในลมให้ใจเข้าออกบ้าง สมบัติของมนุษย์สมบัติของสวรสรค์สมบัติของพรหมสมบัติของพระเนปาลเอกด้วยเนียกงกันกับความโต น, นและก็ให้มีปัญญาเป็นนายหน้าอีกด้วยเหตุฉะนั้นปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นศีลรักษากายวาจารให้เรีบร้อยสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารเมืเท่าใดก็ให้รอบรู้เท่านั้น สังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองขอให้รอบรู้ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ชนะความหลงของตนที่เคยหลงมาศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลงและกิเลสของตนที่เคยหลงมาศีาชาาาล ي, ชำระกิเลสอย่างหยาบความหลงอย่างหยาบสมาธิชาระกิเลสความหลงอย่างกลางปัญญาชาระ กิเลความหลงอันละเอียดขั้งสุดท้ายกองทัพธรรมกองศีลกองสมาธิกองปัญญาเรียก ว, ว่ากองทัพธรรมตั้งอยู่ที่บนหัวใจของแต่ละท่านแต่ละคนจึงจะชนะความหลงของตนได้ทําให้อย่างนั้นแล้วก็บวกคูณทวีความหลงของตนไม่มีเงินตน้นเงินปลาย ที่นี่ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีรวมพลเป็นอันเดียวกันเป็นเชือกสามเกลียวรวมพลกันอยู่ที่ดวงใจจึงเรียกว่าวิปัสวิปัสสนาธุระคือธุระทางปัญญาผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะรอบรูปสังขารทั้งปวงได้ สังขารต้องบวงมีอะไรว่าก็มีกายะสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารเกิดขึ้นแล้กวก็แปรดับไ ป, ไปอันนี้เป็นธรรมอันละเอียดทีนี้เมื่อเป็นธรรมอันละเอียดศีลก็ละเอียดสมาธิก็ละเอียดขึ้นตามกันด้วยจึงว่าวิปัสสนาธุระธุระทางปัญญาเพราะมีปัญญาเป็นห้อยหน้าผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่คุ้มก็ไม่ ก็ไม่เลื่อมใสในศีลผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่เลื่อมใสในสมาธิผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รอบรู้ในกองสังขารเดือดร้อนทำแบ่งออกเป็นสองโลกิยธรรมโลกุตรธรรมนเป็นหน้าที่ของปัญญาจะรอบรู้โลกุตรธรรมก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตไม่เสียดายล่วงละเมิดศีลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่เชื่อใจอย่างร่วงละเมิดอาัยนำมุกดังที่เก่ามาแล้วนั้นไม่เชื่อใจอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันดังที่เก่าวมาแล้วนั้นไม่เชื่อใจยากถือเลือกดียามดีไม่เชื่อใจอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เชื่อใจอยากจะค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ ค่าขายสเป็นอะไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวข่าเป็อนอาหารค่าขายน้ำมันคาขายาพิษอันนี้มันมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญารวมพลกันแล้วทีนี่สามัคคีกันแล้วที่นี่จึงไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดสามัคคีกันแล้วเนี่ยทีนี้ธรรมชั้นสูงของพระพุทธาศาสนายังมีอยู่อีกคือนี่ได้ได้ในโลกล้วนอันนี้จังได้ได้ในโลกล้วนทุกขังได้ได้ในโลกล้วนอนัตตา อย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งเวาคตรทั้งปัจจุบันด้วยที่ทําชั้นสูงทีเนี้ศีลชัน้นสูงสมาธิชั้นสูงกรเรื่อนตําแหน่งขึ้นมารวมพลกันอีกเหมือนกันเป็นศีลชั้นสูงอยู่ในตัวด้วยเป็นสมาธิชั้นสูงอยู่ในตัวด้วยเป็นปัญญาชั้นสูงรวมพลกันสามัคคีกันอยู่ในตัวด้ว ย, วยเห็นอา น, นิจจังคณะิิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจตไมด้วยอา น, นิจจัง เห็นทุกข์ขณะคิตหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเพระโลกทไปด้วยกองทุกข์เห็นอนัตตาคณะคิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบแล้วเพระโลกทำไปด้วยสิ่งที่ไม่อยู่ในสมประสงค์ของตนเกิดขึ้นแล้วกประเปร้อนแล้วแตกสลายนอกจากสังขารไม่มีอันไดจะเกิดขึ้น นอกจากสังขารไม่มีอันใดแปรปรวนนอกจากสังขารไม่มีอันใดจะดับไปสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแปรปรวนสังขารเท่านั้นดับไปความพูดเท่านั้นเกิดขึ้นความคำพูดเท่านั้นแปรปรวนคำพูดเท่านั้นดับไปขณะจิตที่นึกขึ้นเท่านั้นเกิดขึ้นขณะจิตเท่านั้นแปรปรวนและดับไปเร็วที่สุดสังขารใด ละเอียดสังขารนั้นก็เกิดขึ้นละเอียดแปรปวนละเอียดดับไปละเอียดคําพูดนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่วงไปแล้วเฉียขงข้าหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปแล้วเรียกว่าอารมณ์ก็เรียกใครเป็นผู้พูดก็ดสังขารใน ก, กองทุกเป็นผู้พูดใครเป็นผู้นึกผู้คิดก็สื่อสังขารละกองทุกตอนนั้นนึกคิดนึกนแณะก็ล่วงไปพูดแล้วก็ล่วงไปล่วง เกิดขึ้นที่ไหนก็ล่วงไปที่นั้นก็แปรปวนที่นั้นก็ดับที่นั่นเกิดที่วัจีสังขารก็ดับไปนะวิจีสังขารก็ดับไปก็เกิดดับไปทีนี่พิเคนาสามการเกิดขึ้นแล้วแปรปวนได้ดับไปเกิดขึ้นที่ไหนก็แปรปวนที่นั่นก็ดับที่นั้นนะเขมีทุกสัมประยุทธ์อยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้พูดตอนกลางทีนี่พูดตอนต้นและสุดท้ายเกิดดับที่นี่ ลมก็เหมือนกันพัดมาเนี่ยก็ร่วงไปล่วงไปร่วงพัดมาเอก็ร่วงไปล่วงไปล่วงไปความนึกความคิดก็เหมือนกันนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นจิดต่อกันเป็นพืชก็ดับไปเป็นพืชเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ดับหาระหว่างไม่ได้ผู้ใดเห็นความเกิดความดับขณะจิตเดียวก็ตางผู้นั้นมีปัญญามาก ยังดีกว่าผู้เกิดร้อยปีไม่เห็นความเกิดดับเลยพระพุทธศาสนาอันนี้จะให้เป็นเครื่องนายวัฏสงสารได้ในใดๆ ใ, ในรอบร้อนมีแต่เกิดแต่ดับเท่านั้นอืมนอกจากสังขารมามีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากสังขารมามีอันใดจะดับไปสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปก็มีความหมายอันใดอันเดียวกันอ๋อ สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวาโลกไ่้แก่ชาติมาพักระหกชั้นพระมโลกได้แก่รูปภพเจ็ดชั้นและอรูปภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกก็มีภาพพดอันเดียว สังขาราปรามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโรคเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งไห้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนี้นเป็นทุกสิ่งนั้นก็ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดเช่นความเกิดแก่เก็บตายเราไม่ประสงค์มันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างผึงผายมันก็แก่อย่างผึงผายมันก็ดับไปอย่างผึงผายดับหมายความว่าถึงคราวสิน้นลมปราณ น, น, นี่หยาดนักเจนี่ละเอียดไปกว่านั้นก็มีพอเราบัญญัติว่าลมหายใจเข้ามันก็มาเป็นกลางลมเป็นท่ายลมดับไปแล้วหายใจออกอีกก็อันเดียวกันพู ด, ดแต่ละคาละคาได้ยินที่หูก็ดับไปที่หูรู้จักในที่ใจก็ดับไปในที่ใจนั่นเกิดเร็วนับเร็วนัก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 บรรจุด้วยความเกิดดับเทั้นั้นโลกดินเกิดดับเป็นไหมเกิดดับเป็นพังเป็นทลายเป็นผู้เขาเกิดดับเป็นไหมเกิดดับเป็นพังเป็นทลายเป็นของภายนอกหยาบๆนะเอาของหยาบ ก, ก็เกิดขึ้นตามหยาบดับตามหยาบของละเอียดก็เกิดขึ้นตามละเอียดดับตามละเอียดใบไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อหล่นดังเป็นของภายนอกผมขนและฟันนั่งเลื่อนกระดูกเกิดขึ้นมาเพื่อแปรพรว่าจะดับไป ดินก็แตกไปเป็นดินน้ำก็ไปแตกไปเป็นน้ําไฟก็แตกไปเป็นไฟลมก็แตกไปเป็นลมร่างกายนี่สมมุติว่ารูปขันนามขันเนี่ยด้นมานี่ทีนี้ตัดชัดตาทำทำภายในร่างกายตาหูจมูกกลิน่นกายย่ น, ยนลงมานี่อีกทีนี้เกิดดับเป็นเหมือนกันเห็นรูปก็ดับไปแล้วไปเห็นอีกก็ดับไปอีก เสียงกลิ่นรถผดสะพะธรรมารมก็เหมือนกันเกิดดับหาระหว่างไม่ได้เกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้แปลป่วนหาทวารไม่ได้ดับหารทว่างไม่ได้รัดเอาใจาทางปลายเกิดขึ้นดับไปหาระหว่างไม่ได้วนเวียนอยู่อู่ปัญจขันต์ใจไม่มั่นยืนยันว่าตนคงไม่พ้นยาพิษวานเผากิดโง่เขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปั้นน้ําให้เป็นตัวมัวเมาหลายกลายเป็นอดีต ขวางกีดอยู่ผู้รู้อนาคตรอบให้หมดอนัตตาธรรมกรรมจะไม่นำติดต่อขอพบใจถูกลบลงถึงทำว่าไม่อยู่ห่างทางไปนิพพานถ้าเชี่ยวชาญเดินมัคควิทถีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตายจะบรรยายไปหลายกอรุนหลากก่อนจะมาก็ออกกากอันเดียวเราจะนับถึงหมื่นถึงแสนก็นับออกไปจากรักหน่วย หลงอันเดียวก็เที่ยวสงสารอยู่นาาเนิ่นช้าปัญญากล้าหันหาต้นเหตุยนนิเทศเอกจิตธรรมไม่ลองล่ำไปหาทางอื่นไม่ต้องตื่นในเรื่องโวหารการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะดื้อด้นไปหาทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญากู้สู้ไว้ความหลง ปรงภาระสะสางตัวเหตุหมดนิเทศจะกล่าวบัญญัติผู้รู้ชัดก็หากเห็นเองผู้อื่นเพ่งว่าดีหรือชั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโรกานำมากล่าวสาไวไห้เพียงนี้พิษหรือถูกผูกไว้กับธรรมท่านผู้รู้รํำจงให้อภัยทุกวันนี้เราหลงความเกิดความดับว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเลย วันเวลาล้อมร่วงไปชั้นแห่งไว้ก็ละเป็นลำดับไปล่วงไปล่วงไปมีหน้าที่ก็ล่วงก็ล่วงไปทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่สิ่งที่ล่วงไปเหมือนน้าไหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราบัญญัติว่าปัจจุบันน้ําก็ไหลไปลแล้วเราบัญญัติว่าอดีตที่นี่อดีตก็ล่วงไปแล้วยังยังนอกอยู่ที่นี่อ้าวอดีตคืออะไร คือความเกิดแก่เก็บตายที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือความเกิดแก่เก็บตายที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือความเกิดแก่เก็บตายที่กำลังเป็นอยู่อาออดีตคืออะไรคือคำพูดที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือคำพูดที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือคำพูดที่กำลังเป็นอยู่เอ้ากำลังจะล่วงไปให้เห็นซึ่ ง, งหน้านี่แหละ อดีตคืออะไรคือความนึกคิดที่ล่วงไปแลว้วอนาคตคือความนึกคิดที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือความนึกคิดที่กําลังเป็นอยู่ก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปวนมาวนมาอย่อย่างนั้นเป็นรอบเก่าไม่ใช่รอบใหม่สวัสดีปีใหม่ของจยาบหยับแต่ใกลจะตายกว่าปีตายนี่ใช่ไหม น, นั่นนั่ น, นๆันนๆ่น น, น, อน um. ของให ม, αι ม, αι ม, αι ม่มีไหมก็มีแต่ของเก่าเท่านั้นเกิดขึ้นก็เป็นของเก่าดับก็เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เที่ยวเกิดดับอยู่นี้ไม่ใช่ของใหม่ ทรัพย์ทั้งหลายก็มาหลงอยู่อย่างนี้่ะที่นี้เอาละเอียดขึ้นไปกว่านี้อดีตคืออะไรคือขณะกิจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือขณะกิตที่ยังไมมาถึงปัจจุบันคือขณะกิจที่กําลังเป็นอยู่อ๋ออดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่อ๋อนั่นอดีตเป็นนิทานของปัจจุบันที่ล่วงไปอนาคตเป็นนิทานของปัจจุบันผู้ยังไม่มาถึงอ่ะ อดีตร่วงไปแล้วมีแต่บัญชีดีก็ดีไปแล้วชัวช่วไปชั่วไปแล้วเอาอคืนไม่ได้อนาคตดีก็ยังไม่ทันดีชั่วก็ยังไม่ชั่ว เพราะยังไม่มาถึงเอาปัจจุบันเป็นพยานเห็นความเกิดในปัจจุบันความเกิดในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นความแก่ในปัจจุบันความแก่ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นความตายในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นโลกเป็นทุกข์ในปัจจุบันโลกอดีตโรกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเอาตัวเอาปัจจุบันเป็นพยานเอกเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั่นนั่นพยานเอกในปัจจุบันพยานอื่นมันเป็นหามัน เป็นพยานหาเหตุฉะนั้นจึงทำให้จิตเป็นสมาธิเพื่ออยากจะได้เห็นความจริงของมันมีจริงเพียงแค่ไหนถ้าเราดูอะไรเราวิ่งดูมันไม่เห็นเหตุฉะนั้นจึงยืนดูคือสมาธิสมา ธ, มาธิเมื่อเข้าไปหมดกำลังแล ก, กถอนออกมานั่นคืออเ น, นจังอันละเอียดปฐมฌานทุติยฌานท ต, ติยฌานเจตุตฌานก็าตามชานหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ตามหรือสมาหรือ นีโรถชมาบัดก็เหมือนกันเข้าไปหมดกำลังแล้วก็ถอนออกมานั่นคืออ น, นิจจังอะเรอีกจริงไหนที่อยู่ตามสภาพเดิมเป็นไม่มีเลยมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นในโลกอันนี้เหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนรุดชีตีติแปลผู้ย่อยยับไปเยกว่าโลกไม่ให้คะแนนโลกเลยพระบรมศาสดา มีหน้าที่เกิดดับเท่านั้นสังขารทั้งหลายมีหน้าที่เกิดดับเท่านั้นกายะสังขารวระจีสังขารจิตตะสังขารก็มีหน้าที่เกิดดับเท่านั้นไม่มีหน้าที่อันอื่นแต่พวกเรายังจะมาเล่นเลขเล่นผ้าเล่นบัดเล่นเบอร์แล้วมันไกลจริงอันนี้อืไม่รู้ทางชิบหายโค้งขึ้นมาพูดทางต่ำอีกเลย พูดต่ำแล้วก็พูดสูงพูดสูงแล้วก็พูดต่ำเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นไปลงมาเหมันเหมือนหายใจเข้าใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าอยู่นั่นเกิดดับอยู่หาระหว่างไม่ได้เป็นรอบรอบรอรอบๆอบร อ, บ ร, บ, รอ บ, รบรอบนะเอสะธรรมสนั น, นโนพระธรรมเป็นของเก่าคือเกิดดับอันเก่านั่นเองนี่หมายความว่าสังขารทำ ในไต่โลกธาตุเนี่ยพระนิพานมาเกิดมาดับด้วยไหมไม่ได้มาเกิดมาดับใครเป็นผู้พูดอยู่เดียวนี่ก็คือสังขารเนี่ยกองทุกคนผู้พูดพระนิพานไม่ไม่มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยเพราะเป็นธไรรมอันไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วนั่นเมื่อเห็นความเกิดความดับแล้วก็เห็นโลกทางปวงเลยโลกทางปวงมีลูกไม่เพียงเท่านี้เธอจงรู้ธรรมเป็นจริงปฏิบัติธรรมจริงรุดพ้นธรรมนจริงสะพระบรมศาตร์รุร้พ้นจากความหลง ของตนซะกหลงอะไรหลงของไมาเที่ยงว่าเป็นของเที่ยงหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขหลงเป็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ่มอยู่ในรอบนั่นทําชั้นถูงอะไนี่หลงสังขารก็คือหลงกองทุกข์ทุกข์กับหลงฐานเพลิงมีอันเดียวมีความหมายอันเดียวกันนะ่นใจของสัตว์ทั้งหลายมีกาเมวีตกมีพยาบาทวีตก มีวิหิงสาวิตกเป็นชรนังจชามิทัดนพูดอย่างนั้นผู้ใดไม่มีการมเววิตกความส่งเสริมในกรมพยาบาทวิตกความส่งเสริมในพยาบาทวิหิงสาวิตกความส่งเสริมในทางเวียดเบยผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วนั่นนั่นคือตัวศีลเกือบเป็นศีลชั้นสุดท้ายเป็นสมาธิชั้นสุดท้ายเป็นปัญญาชั้นชั้นเกือบสุดท้ายอยู่ในตัว ผู้ใดไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆผู้นั่นเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาท่านทุตท้ายแล้วท่านทุพพลไปแล้วไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆทั้งสิน้นอดีตก็เป็นแต่สักว่าอดีตอนาค ต, ตก็เป็นแต่สักว่าอนาคตปัจจุบันก็เป็นแต่สักก่าปัจจุบันไม่เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งใดที่ไม่มีใครเปยยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็ไม่มีโทษสิ่งใดที่มีใครเปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจนไม่รู้จักแกะจักวาง สิ่ง น, นั้นจะเป็นของห้าทวดไม่ได้ย่อมไม่มีในโลกเห Teraz, ตุนั้นพระบรมศาสตร์สลายจึงบัญญัติว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเป็นตาสักว่าตาหูเป็นตาสักว่าหูจมูกเป็นตาสักว่าจมูกลิ้นเป็นตาสักว่าริ้นกายเป็นตาสักว่ากายใจเป็นตาสกว่าใจเธอทั้งหลายอย่าไปยึดถือเป็นเจ้าของเน้อเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วก็แปรเวนแล้วแต่สลายนะพระบรมศาสตร์สอน ภิกษจเป็นผู้รู้จักตาจงเป็นผู้รู้จักหูจงเป็นผู้รู้จักจมูกเล่นกายใจจงเป็นผู้รู้จักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมาลมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แฟผวยแล้วแตกสลายไปไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านผู้ใดตาเอ๋ยตาเอ๋ยครับเขาก็มาแล้ว่าปฏิเสธเข้ามาปฏิเสธหูเอ๋ยหูเอ๋ยครับเขาก็มาแล้ว่าปฏิเสธเข้ามาปฏิเสธจมูกเอ๋ยจมูกเอ๋ยครับเขาก็มาว่าปฏิเสธเข้าไมาปฏิเสธวางเฉยก็้มาวางเฉย จมูกเอ๋ยเลี่ยนเอ๋ยกายเอ๋ยทีนี้เขาไม่ใส่ชื่อหรือนามให้ตนใจเป็นผู้ไปใส่ชื่อหรือนามให้เขาเขาไม่รับไม่ปัดไม่วางเฉยไม่มีใครใส่ชื่อให้ตนก็ใส่ชื่อให้ตนห่อใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจนั่นนัน่นนน น, น, น, นตนหักไปฟ้องเขาตนหกักติดคุกตนหักเสียเงินเอเพราะใจไปฟ้องเขาอ่ะตาหูจะหมูกเลี้นกาย ดินก็เหมือนกันใจไปใส่ชื่อให้เขาว่าดินเขาก็บอกว่าครับครับผมเป็นดินเขาก็ไมาไว่าดินน้ําไฟลมเขาก็ไม่ปฏิเสธที่นี่เมื่อตนเขาไม่อยู่สมประสงค์ของตนตนก็อดือดร้อนทีนี่ทำไมเออข้าพเจ้าจะเป็นสมบัติของใจตาหูจมูกเลี้ยงกายเนี่ยเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปฏด เมื่อเขาไม่อยู่ตามความประสงค์ของตนนตนก็ เ, เดือดร้อนเขาใจนอกจากใจไม่มีอนไดจะทาให้ใจเดือดร้อนนอกจากใจก็ไม่มีจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอนไดจะหลงใจถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงโลกทั้งปวงก็ข้ามทะเลหลงไปแล้ว ในเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสนาพิจาราณ า, ากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนากายมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยในกระดูกม้ามหัวใจตาฟังฝึกไตพอไสใหญ่ไสน้อยอ่านใหว่อ่านเก่านีเป็นธาตุดินเพเป็นของแข็งทีนี้ ดีเสด็จน้องเลือกเงยมันค้นหน้าตาเปลี่ยมนานวายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ํามูดนี่เป็นธาตุน้ำนี่เป็นตะศักว่าน้ําไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ร่อยนี่เป็นตะศักว่าไฟนี่ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหายลมเนือะลมอวกลมไอลมจามลมพัดลงเบื้องต่ําลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะลมในท่องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไฟตามตัวลมพัดใจเข้าลมหายใจออก นี่เป็นแสัการูปนี่ก็ธาตุดินซกนี่ก็ธาตุน้ำซะนี่ก็ธาตุไฟซะนี่ก็ธาตุลมซะนี่มารวมกันเป็นกายเรียกว่ารูปรูปขันรูปประโลกก็ว่ารูปประธรรมก็ว่าเกิดขึ้นจากกาแฟพวนแด้แตกสลายเหมือนกันนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเกิดขึ้นจากกาแฟพวงได้แตกสลายมันอยู่ในอํานาจของท่านทั้ใดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเลยทีนี้มาลงความผิดความถูก ก็มมนมีใครรับรองก็มาอยู่กับใจที่นี่ใจเป็นกายเป็นศักท์ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายารอพวฒนาเวทนาคือสุขทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์ กเป็นได้สักว่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกเวทนาหรืพัฒนาใจที่สท่องหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานรืพัฒนาทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มาเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัฒนาพระจะพิจารณาการเวทนาจิตธรรมพิจารณารูปขันนาำขันลงสู่อนัตตาไม่ใช่ของใครเลยเป็นของกลางที่นี่ เพื่อจะถอนอัตตวาทุปปาทานความเสียห น, น้าตนซะเหตุฉะนั้นจึงไปรวมอยู่ที่ใจอดีตคืออะไรคือใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือใจที่ยังม่มาถึงอดีตคืออะไรคือผู้ลูกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผุ้ลูที่ยังมามาถึงมีความหมายอันเดียวกันผู้ใดไม่ยึดถือผู้ลูกว่าเป็นตนตนเป็นผู้ลูไม่ยึดถือผู้ลูกมีในตนตนมีในในผู้ลูผู้นั่นข้ามทะเลหลงไปแล้วพระบรมชาติานั่นนั่นๆๆ เรารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้ทอธรรมตอนนั้นเราปฏิบัติใจตอนไหนก็ปฏิบัติธรรมตอนนั้นถ้าใจไม่หลงใจก็ไม่มีอะไดจะมาหลงตาหัวจงยิ่งกายมันก็ไม่มาหลงเดินน้ําไฟลมมันก็ไม่มาหลงมีแต่ใจกับกิเลสเท่านั้นไปหลงเพราะกิเลสเป็นนายหน้าถ้าจะภาวนาหรือว่าถ้าจะให้ทานรักษาชี้นธวนมรากิเลสก็มากกระชิบที่หัวยาเถอะยาเถอะมันเก่งชนีดจากมันเพราะมัน ร่างสมองใจได้แล้ ว, ลวมันตั้งอยู่ที่รอบเมืองใจใช่หัน่นคว้าหัน่นขับล้างหันมันก็บอกอะไรจะเหนือความหลงไปได้ก็ปัญญาและสติเท่านั้นจะเหนือความหลงไปได้ทำไมเราจึงอาบน้ำเอาพูดไปพูดมาเพราะร่างกายมันสปกปรกทำไมเราจึงปฏิบัติขินดำเพราะจิตใจมันสปกปรกทำไมเราจึงฝึกปรือปัญญาเพราะความหลงมาเป็นเจ้าหัวใจอยู่เนี่ เราจึงฝึกปืนสติปัญญาเพื่อให้ชนะความหลงปัญญาในชั้นต้นคือปัญญาพระสวสดาวันปัญญาในชั้นกลางคือสักขาคามีปัญญาในละเอียดไปกว่านั้นคือพระอนาคามีปัญญาละเอียดไปกว่านั้นคือปัญญาของพระสารีชิ้นสมาธิปัญญาของพระสวัสดิวันชิ้นสมาธิปัญญาของสักขาคามีชิ้นสมาธิปัญญาของพระอนาคามีชิ้นสมาธิปัญญาของพระสารีจะเอาไปเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระสวัสดิวัน เป็นปัจจุบันเบื้องต้นของโลคุตระปัจจุบันสักคาคามีเขละเอียดไปกว่านั้นปัจจุบันพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นปัจจุบันพระรหัน์เรียนปัจจุบันจบแล้วปัจจุบันของท่านไม่มีโรคมีโกรธมีหลวงนโมพระโสดาบันเป็นนโมที่ข้ามทะเลหลวงมาแล้วข้ามพุทธชนคนหนาคนหนามาแล้วนโมพระโสดาบันนอ้นอมนอ้อมจนไม่ทําบาปอัญญาปนาบนอ้อมน้อมจนไม่เล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นมือ น้อมจนไม่จองเวรกับท่านผู้ใดนอ้อมเห็นภายในวัฏฏะสองสามตั้งหน้าจะเข้าสู่พระญาพานนิโมต้ะโชลาวันนโมสัพพทาคารีละเอียดละเอียดความนั้นนโมพระอนาคามีละเอียดละเอียดความนั้นนโมพระอรหันต์นอมน้อมครบแล้วนอ้อมจนไม่มาโลคมาโกรธมาหลงมาแก่มาเก่มาตายเรียกว่าพระอรหันต์เรือนนโมจบแล้วนโมต่ำก่อนนั้นลงมาก็นโมเมฆนโมผ้านโมบัตต์นโมเอร์นโมชิบหายวายป่วงอันนี้นั่น ต่ำกว่าพระโสดาวันลงมาพุทธทางก็เหมือนกันพุทธทางเลขพุทธทางผาพุทธทางบัดพุทธทางเบอร์มีน้าซ้ําลงนรกอีกด้วยเอาคําสอนพระพุทธศาสนาไปเล่นเลขเล่นผ้าเล่นวัดรเล่นเบอร์นั่นนั่นนั่นนั่นนั่น ม, มันคล้องอยู่นี่มากกระปดนี่ใช่ีหมพูดสูงลงมาฮะต่ําพูดต่ําคึกลงมาฮาสูงเหมือนนเราขึ้นต้นไม้ขึ้นไปถึงยอดแล้วก็ลงมา ขึ้นไปลงมาไม่ไม่หลงในการขึ้นไม่หลงในการลงลงบันไดก็เหมือนกันขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาเหมือนกันแต่ให้รู้เท่าอาการขึ้นการลงเหมือนกันไม่ให้ติดอยู่ในทั้งขึ้นทั้งลงนะข้อมกอกกลับไปหาฝ่ายข้อมฝ่ายก็ว่าไปหาครูบาวแมารยบอคำนั้นบอพื้นเทศมันพูว่าพื้นท่ามากระจใสบอาจังไหนวะไ คขาว่าเอาหมายความมาพูดพวกภาคกลางไม่เข้าใจเ <c oughs> นิ่งนะความเสื่อมความเจริญเราก็ไม่รู้จักที่ไหนเราจ ะ, จะเจริญได้นี่ย่นลงมาครพูดต่ำๆอีกทีนี้ยถ้าพูดแต่สูงก็ถูกแต่ใจผู้ผู้พูดสูงถ้าไม่พูดต่ํำก็ไม่ไม่ถูกกับใจผู้าาาขอธราอาคารขอธราขาเหมืนก็ลําบากเหมือนกันในการพูดนั่น คนดีก็มาจากคนชั่วใช่ไหมปิญญาเอกก็มาจากกอสลาอากาขอสราขาใช่ไม้มจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีตามจติตกาลังของตนอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิจระในทางทําดีตามจติตกาลังของตนเถิดอย่าเป็นผู้มีอิจระในทางทําชั่วเลย จงเป็นผู้ด่วนในทางทำดีตามสติกำลังของตนอย่าไปด่วนในทางทำชั่วเลยเพราะชีวิตมันไม่ไหวใจกับใครเน้อหายใจเข้าไม่ออกก็บอกว่าตายหายใจออกไม่เข้าก็เล่าว่าตายชีวิตของเราเหล่าท่านแต่ละท่านละคนมีเพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแม้ถึงจะตายก็ให้ตายอยู่ในธรรมในไม่ันของปปุโรมศาสตร์อย่าไปตายคาเลข ตายคาเรขแล้วก็จะเกิดไปเป็นบุ่งเป็นหนอนเจาะชายกระดาษเลขสานนังคัตฉามิมีไหมไม่มีมีแต่พุทธธรรมสงสานนังคัตฉามินั่นไม่ได้พูดกระทบกระเทือนพูดตามเป็นจริงพระบรมศาสดาก็พูดอ่ะท่านทั้งหลายไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ท่านทั้งหลายเกิดมาจะเป็นคนอายุสั้นนไม่ใช่สาบแข่งพูดตามเป็นจริงเลขผ้าบัดเบอร์โบกบี้มันเป็นทางคิปหายเราจะเป็นเป็นเป็นบัญญติเราเป็นทางเจริญมันก็ฝืนธรรมชาติจะเราจะไปบัญญัติบร์เพชร่าเป็นของหวานอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะบัญญัติผิดบัญญัติก็ไม่ถูกใช่นดีวสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นเป็นบุญสิ่งที่เป็นคลิปหายว่าเป็นของเจริญ แล้วเราเอาจะเอาเอ า, เอาความจเจริญมาจากประตูใดที่นี่แต่บัญญัติก็ยังไม่ถูกแล้วที่พระประมาศธร า, า, า, าบัญญัติว่าทางคีบหายมันก็ชิบหายจริงๆเพราะท่านได้ผ่านมาแล้วพวกลูกห ล, กลานทั้งหลายเนี่ยททีหลังเราดอกเราได้ผ่านวัฏสงสารมาเราทําพอแล้วมาเรียนทีหลังเราดอกยิงทรงพระนามวัสดถเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนัเนีือทีน่นี่พูดสารพัดที่นี่ พระไม่ควรมาเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนพระบรมศาสดาสอนว่าฆราวาสสอนฆราวาสพระบรมศาสดาสอนฆราวาสให้ปฏิบัติกับพระด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองโดยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามโดยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา สี่ด้วยความเป็นผู้ไม่เปิดประตูคือห้ามไมเข้าบ้านเดือนห้าด้วยแหมิตรถานพ่คือสามเณรได้รับบัณฑงชนี่แล้วย่อมอนุเคราะห์คุลรบุตรด้วยสถานดังต่อไปนี้หนึ 1, ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนนในใน้ําใจอันงามสี 4, ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้เกลมหกบอกทางสวรรค์ให้นั่นนั่น น, น่นนน่น นนอนุตรังคุนยักเข็ดตังโลกัดสาติพระพุทธสัมนเนนเป็นเขตบุญของโลกถ้าพาไปเล่นเลขเล่นผาอะไรไปก็เป็นเขตบาศของโลกใช่ไหมท่านพระพุทธสัมนเนนไปเล่นเลขเล่นผามันก็คูกสู้เขารักษาศีลอยู่บ้านไม่ได้ใช่ไหมกินข้าวสุกเสียข้าวสารนนุ่งผ้าเหลืองก็เสียผ้าขาวได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองเข้ามศาสานาเนี่ยโกนหัวแล้วกลับไปเที่ยวรองเที่ยวรองโลกกิน มันก็ไม่ถูกผู้เขารักษาชิ้นท่าไม่ได้พูดมาให้ถูกตัวเลขจะไปพูดยังไงบ้าเก่งๆคนเราอืแผลไม่มีแก่ละแผลไม่มีใครจะเอาดาเพชษมาใส่แผลไม่มีในมือมือจับยาพิษมันก็ไม่ติดอชั้นในกดก็ดีไม่มีเจตนาใครจะหาว่ายัางไงก็ไม่ถูกไม่มีนมวยแก้วย่องยู่บนหัว ส่วนผงสุรีหมดทีไหว่ว่างเมียห็นโมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่องอยู่หัวใจส่วนผงสุรีหมดทิไหว่ว่างเมียห็นลูกลูกทอนเขาสิญาต์เอาอวนเจ้าจะนอ่นรับหลายเรือนค้องแล้วล่นเขาจาักมาเจกคนโคเล่ทั้งตะลางรีบปฏิบัติพระพุทธศาสนาเถิดเข า, าจาิาามาจ้คนโคเล่ทั้งตะลางพระยามัจุราชต่ว่าจะเอามาให้ตาย น, อนอยั่นยุคดินน่ะมือห่อ เธอทั้งหลายอย่าไว้ใจในวัฏสงสารเลยวัฏสงสารกับล้มทานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันพ้าเรามาศาสตร์นะผู้สร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วก็มายินดีในโลกทั้งปวงเหมือนนกเขานกกระทาเขาเอาน้ําใส่กระบอกสอกน้ําใส่กรลาให้แล้วก็ไม่ดีใจกินอิ่มแล้วก็เวียนตะกงพอได้ช่องก็บินปรือหนีเลยไม่เหมือนหมูไม่เข้ามาอีกหมูเขารอมาอีกมันก็ามา ทำไมจึงเห็นภัยในวัฏาะสงสารเพราะเห็นสิ่งใดในวาตาะสงสารไม่มีสิ่งที่ของเป็นเที่ยงเลยไม่มีของเที่ยงมี่จะเกิดได้แปลปวนได้ดับไปเท่านั้น mm. เหตุนั้นผู้นั้นสร้างวันมีแก่ข้ามาแล้วผู้ mm. สร้างวันมียังไม่ทันแก่ข้าก็ mm. เห็นกองจัก mm. เห็นกองจักว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวก็ไปผูกเอาเลข <laughs> นั่น <laughs> นงานงานอยากทุกข์ก็ให้เล่นเลข หลายๆอยากชิบหายก็ให้เล่นเลขบ่อยๆทำอะไรรัฐบาลท่านจึงทำท่านห้ามเราไม่ฟังท่านก็ทำเสียสู๋สูสู๋อย่าไปร่วงละเมิดทางอื่นให้มาร่วงละเมิดเอาเงินมาให้รัฐจะไหวอ่างนั้นเนาะท่านก็เลยดัดฉันดานพวกเราเราเสียให้รัดยังดีกว่าไปเสียทางอื่นท่านพูยอย่างนั้นเนาะรัฐบาลท่านบอกพวกเราไม่ฟัง ห้ามห้ามไม่ฟังก็ออกเลขมากๆเท่นี่เพื่อมันให้ไปไปซื้อเลื่องผิดเลขเถื่อนเลมันชิปหายไว้ปวดอยู่นี่ที่ถ้าหากว่าพวกเราเหนือรัฐบาลเนี่ยท่านก็ปกครองมาอยู่อ๋อช่างหัวมันมันชอบเล่นก็ปล่อยให้มันเล่นท่านพูดอย่างท่านเนาเล่นไปแล้วก็ชิปหายชิปหายแล้วกับบอกฟังอะไรเท่นี่ถ้าหากว่ารวยกว่ารัฐบาลรัฐบาลก็บอกไม่ฟังอถูกไหมนั่นนั่นนั่นนัน จะปฏิทินเขาไม่ได้รัฐบาลที่พวกเราทีนี้พวกเราก็เอาผู้แทนไปผู้แทนก็ออกจากพวกเราจะปฏิรัตรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลก็ออกไปจากพวกเราออกไปจากราชรัตนเพราะราชรันให้คะแนนพูดนอกไม่เพราะอธิบายพูดร้ายเขาฆ่าอยู่คนเดียวระวังติดหมูมากระวังปาก ถูกไหมอ้าในไตรโลกธาตุ่ยถ้ากรรมและผลของกรรมมันมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาะเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่พระโมกคลาขึ้นไปภูเขาคิจกูดไว้เห็นว่าสองป่าหนู่ที่ภูเขาคิจกูดยิ้มพระท่านพระพระพรุทธเป็นเจ้ายิ้มอะไรเออพ่อคุณไม่รู้เอหนเอเน่อะไรลงไปถึงพระบรมสารี ร, รเสียก่อนเราจะเล่าให้พ่กคุณฟัง เดี๋ยวนี้ผมมันมีชัพยานเชื้อแล้วสรโมคคลลาพอลงมาถึงพระบรมศาสตรากาบทูละ่ะเพราะกาบเท่าทูลเรียนถวายองค์สมเร็จพระบรมศาสตราผู้ทรงพระเจริญเปรตมากสองปากมีไหมก็พวกเธอไปเห็นอยู่ที่ภูเขาคิจะกูดลงมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันก็มีสิเขาอยู่ในเมืองมนุษย์เขาทำอะไรพระเจ้าค่าเขาเป็นทนายความ เขากินทั้งโจยดทั้งจำเลยจนหมดเงินทีนี้เขาตายแล้วก็ไปตกนรก อ, อกากนารกไปแล้วก็ไปเป็นเปรตที่ภูเขาคิกชกูดมาหลายชาติหลายพบแล้ว ม, มีเป็นตัวมาเป็นตัวมาแต่มีสองปากม่สองมีสองคอเพืากินทั้งโจยดทั้งจำเลยยังมีอีกเปรตทเ่ชาวข่าเปรตที่มี เหล็กฝังอยู่ที่หัวไควตรงเตงตรงเตงล่องคลางอยู่พระเจ้าข่าเขามีบุพกรรมเป็นอะไรแต่เขาเป็นมนุษย์เขาไปถอนรักเขตแดนดินแดนของผู้อื่นบางทีเขาก็ชิงเอาบางทีเขาก็คว้างทิ้งถือเป็นของสนุกก็อาจเป็นได้บางทีบางทีเขาถอนทิ้งบางทีเขาถอนแล้วก็ชิงเอาถอนหลักฝังเขตแดน เมื่อเขาตายแล้วตกนรกหลายพันปีหลายหมื่นปีออกจาก น, านรกมาแล้วก็เป็นเปรตมีเหล็กฝังอยู่ที่หัวทานไม่ไหวก็ไกวตรงเตงตรงมาตรงเตงตรงเตงอยู่ร่องคางโอยโอย อ, อยู่เปรตที่มีมือเท่าใบตานลากที่หินอยู่ร่องคางโอยโอยอยู่ทานมือไม่ไหวเพราะมันหนักเท่าใบตานลากที่หินอยู่ลากไปลากมา ที่พวกเขาคิดจะกูดเขาทําอะไรเขาไปเรื่องละเมิดเดี๋ยวแล้วปู่ก็จะพูดอย่าว่าลูกปู่พูดเพ้อเจ้อหรือพูดคําหยาบพูดตามเป็นจริงสัมผัสปราปะพูดเพ้อเจ้อพุษธะคําวาจาเพื่อคำหยาบแล้วปู่พูดตามเป็นจริงพูดเพื่อถึงธรรมเพราะมันเป็นจริงอย่างนั้นกรนของความจริงพาเปลี่ยนไปมันเข้าไปในวัดในวามันไปจับ ของหัวงของผู้หญิงของหัวงผู้หญิงก็คือนมเขาก็ไม่พอใจให้มันจับเขาก็ตีมือมันมันก็ยังจับของเขาอยู่ตายไปแล้วก็ไปเกิดไปตกนรกออกจากนารกก็เป็นเปรตมือยาวลากไปลากมาอยู่มือนั่นถ้าผมบอกําให้มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนั่นนั่น่น น, นั่นเราไปยิงนกเขาเนี่ยวเราเบิดออกแล้วเนี่ยอายุสิบห้าปีไปยิงถูกที่ถูกหน้าอกมัน เป็นโรคหัวใจตีบส่งเลือดไม่ทันไปโรงพยาบาลเกือบไม่ทันระเบิดขึ้นสองพันห้าร้อยสามสิบทำแต่อายุสิบห้าปีได้นกเขาตัวเดียวเท่านั้นล่ะน่ะมันยังตามมาทีนี้เคยได้ผูกเอวกบเป็นเป็นเด็กเนี้ยงโคถูกเชือกผูแล้วตายที่ไหนก็ปิ้งกินที่นั่นตายที่ไหนก็ปิ้งกินที่นั่นกบมา่ยเหี้ยวไปเหี้ยวไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาเข็มขัดของงูมารับเอวไว้เลยนี่นี่นี่เพราะเป็นโรค ถ้าเป็นโรคไส้เลื่อนสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดวุฒิกรรมที่เป็นโรคไส้เลื่อนอะไรว่าจับโคโช่วยเขาตัวเดียวเท่านั้นละ่ะอายุยี่สิบปีราซิกขาออกมาแล้วสมัยนั้นราซิกขาออกมาจึงมาบวชใหม่เนี่ยบวชใหม่ในระหว่างสองลูกตายเสียมเมียตายจากมาบวชสองพันสี่รอยแปดสิบหกข่าวนี่ข่าวนั้นบวชอยู่สี่พรรษาไม่ผูกเอเลขเราก็ไม่รับรองรับพูดให้ถึงทำแล้วไปผูกเอเลขมันก็ไม่ถูก แล้วไม่มีเจตนานี่จับโคช่วยตอนเขาตัวเดียวเท่านะั้นตามมาแล้วสองพันห้าร้ยี่สิบสองตามมานะทำแต่แต่สมัยแต่สมัยท่านเปลี่ยนการปกครอง4องพันส่รอยเจ็ดสิ้านูดนี่ว่าพูดนในชั่วโมงแล้วนี่ <c oughs> พูดอยู่นี่ในชั่วโมงแล้วนะใครจะเชื่อกรรมหรือไม่เชื่อกรรม ผู้เชื่อกรรมก็ผลของกรรมก็คือผู้เช Allison, 對對ื่อพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ใดไม่เชื่อกรรมแล้วผลของกรรมก็คือผู้ไม่เชื่อพระพุทธศาสนานั่นเองอ้าวถ้าไม่เชื่อกรรมแล้วผลของกรรมมันก็มีอยู่ในปัจจุบันในส่วนรวมอ่อผู้ที่รวยในทางที่ไม่ชอบไปได้ไหมผลของกรรมก็ไปไม่ได้เหมือนกันถูกไหมผู้ที่ถือว่ามันมีบาปมีบุญไปได้ไหมก็ไปไม่ได้เหมือนกันอ้าวประเทศที่ถือว่ามันมีบาปไม่มีบุญ เขาก็ไปไม่ได้แต่ก็จเจอกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้นั่นนั่นัน่น น, น, น, นัผลของการที่เบียดเบียนพระพุธาาทธศาสนาโดยทางตรงและทางอ้อมมีปัญหาสอดเข้ามาว่ามีผู้เบียดเบียนพระพุทธศ า, ส, าสนาได้หรือไม่เบียดเบียนไม่ได้ผู้เบียดเบียนพระพุธาาทธศาสนาเนี่ยทางตรงและทาง อ, อ้อมคือวิชาอะไรหลวงปู่ก็ตอบว่าวิชาเบื่อําลายเครื่องฟ้า แจะพูดน้าลายขึ้นฟ้าหมดไตโรคกระแเนี่ยหน้าของไครของมันมันก็ตกลงมาใส่ใช่หรือไม่นั่นโกรธให้ลมมดไตโรคกรทกเนี่ยกาฝุนโต้อมสู้ลมได้ไหมมันก็พัดเข้าหน้าและเข้าตาของไครของมันใช่ไหมโกรธให้ต้นเสาคว้างปลาให้ต้นเสาคว้างไกลมันไม่ทันคว้างใกล้ก็นักหวยเอ็ดหลบไม่ทันใช่ไหมนั่น อถ้าหากว่าคําสอนพระพุทธศาสนาไม่จริงโลกเอสดิเพราะเหตุดได้ก็เพราะเหตุไม่เคารบกามารมณ์ใช่ไหมถ้าหากว่ายินดีในเผั่ในเมียของตนเองหรือผู้ที่ทรงอนุญาตเท่านั้นมันก็มีขอบเขตโลกเอสดก็ไม่มีใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่น น, นเป็นพยานอยู่แล้วนั่ น, น, นพระพุทธศาสนารักษาโลกเอสดอูแล้วเอ้าในรถหนังสือพิมพ์ลงมาทุกวันนี่เรื่องละเมิด การฆ่าการแกงก็ล่วงละเมิดการปฏิบตัตใช่ไหมการรักศกยกหอก็ล่วงละเมิดอธินาทานใช่ไหมอมก า, เอ า, ารเมซิเมชานก็ผิดกันอยู่ตามพวกนี้แนะ่ะถ้าปิดพวกนี้ได้ไม่ผิดมีศีลมีธรรมทุกท่านนะ่ะหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีการลงลงแต่เรื่องดีผู้นั่นภาวนาอยู่ดังนั้นผู้นี้รักษาศีลอยู่ ที่นั่นที่นี่มีอเิสง์อย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดกันแต่เรื่องนั้นหนั้นคือพิมพ์ข่าวของโลกข่าวเกิดก็คือข่าวทุกข่าวแก่ก็คือข่าวทุกข่าวเก็บก็คือข่าวทุกข่าวตายก็คือข่าวทุกข่าวปัทนาม้สมหวังก็คือข่าวทุกใช่ไหมนั่นข่าวเกิดขึ้นแล้วแปลผลน่าแตกสลายก็ข่าวทุกใช่ไหมข่าวน้ำท่วมก็ข่าวทุกใช่ไหมข่าวลมพัดก็ข่าวทุกใช่ไหมมีแต่ข่าวทุกเท่านั้นในโลกอันนี้ข่าวพระรหารก็คือข่าวเข้าสู่พระเนพทานไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกเลยใช่ไหมนั่น นั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดเราเป็นมนุษย์แท้ๆยังไม่รู้จักทางชิบหายทางเจริญถ้าเว้นอบายยมุกแล้วก็บานหน้าไปสู่ทางเจริญถ้าไ ม, ไม่เว้นอบายยมุกมันก็บานหน้าไปทางเสื่อมใช่ไหมอ้าวไฟไม่บ้านไม่เรือนมันก็ไม่แต่บ้านแต่เรือน ไฟไม้เลขไม้ผาไม้บัดไม้เบอร์มันก็ไม่ที่ดินด้วยสายสร้อยสายตาอะไรต่ออะไรไม่วัดยับเยินไปเลยนั่นเห็นทันตามาทันใจเอาธ น, นาคารเลขมีไหมไม่มีมีแต่มันคลาดอยู่มันไปไม่ไหวนั่นนั่นนผู้ใดไม่เชื่อพระสมานั้นพุทธเจ้าผู้นั่นเป็นลูกไม่มีพ่อมีแม่ เป็นศิษย์ที่ไม่มีครูเพระบรมศาสดาพกครองโลกทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาแล้วมากกว่าร้อยโกโรธพระพุทธเจ้าไนกคสัตโกรตโยมากกว่าร้อยโกรธมาเกิดเป็นระยะระยะระยะสร้างบารมีเต็มเต้มาแล้วใครเกียรขวางก็ไว่โผล่ออกมาอย่างพึงพอใจเลยใครจะเกียรขวางวัคคุเทศนาได้ใครจะเกียรขวางกรรมและผลของกรรมได้ที่นี่โจทย์ได้จำเลยฟ้องกันทุกวันนี่บางกรณียังตัดสินไม่ได้ เขาก็มาถามเราจะทํายังไงก็ไม่ทํายังไงละแล้วก็พูดอย่างนี้ผู้ใดลงรุยลุงมสารเพลิงก็ให้อ่สารอายการสารยุติธรรมลุงมสารเพลิงนั่นตัดสินเอาเราพูดอย่างนี้ถูกไหมเราพูดอย่างนี้อืผู้ใดเล่นเลขเล่นผาก็ให้อาจารย์เลขอาจารย์ผาดันสั่งสอนเอาถูกไหมผู้ใดลงลุยลุงมสารเพลิงก็ให้อาจาร รุ้มถัดเพลินสังขายานายเอานั่นผู้ใดดื่มน้ําแข็งมันเย็นก็ให้น้ําแข็งนั่นตัดสินเอาผู้ใดยินดีในเกิดในแก่ในเก็บในตายก็ให้เกิดแก่เก็บตายตัดสินเอาผู้ใดยินดีในพระนิพ涅槃ก็ให้ทําอันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นตัดสินเอาอันทําอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนั่นนั่นนทีโทโ่โรเกะละหัวธรมะความรับไม่มีในโลก เกิดก็เกิดอย่างผึงผายแก่ก็แก่อย่างผึงผายตายก็ตายอย่างผึงผายไม่มีความลับเลยเรานึกอะไรเราก็รู้อยู่ความรับก็ไม่มีเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาะเราก็รู้อยู่เราไม่เลื่อมใสเราก็รู้อยู่นั่นแ่ะความรับไม่มีในโลกเราปฏิเสธแเราก็รู้ว่าเราปฏิเสธเราสารภาพก็รู้เราเรับสารภาพนั่นแหะความรับไม่มีในโลก mm. เหตุตั้งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าสูงก็พูดแล้วต่ำก็พูดแล้วกลางก็พูดแล้วเอวังซะเหนื่อยแล้วชั่วโมงหนึ่งพราะกันเทศทั้งหลายไม่มีเอวังความเปื่อยความเล้าในชะกลนลกาของเราเนี่ยไม่มีเอวังไม่มีกลางวันกลางคืนก็เกิดแก่เก็บตายก็ไม่มีกลางวันกลางคืนเราเอวังอยู่อย่างนี้ความหมายความว่ายุดพักเป็นเวลาเวลา ความเกิดดับในก็เกิดดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ในโลกอันนี้พระนิพพานก็ไม่เกิดไม่ดับก็หาระหว่างไม่ได้ไม่ไม่มีเอวังเลยนั่น